ในปัจจุบันอันนี้ผิดหลักบนเมื่อเราปรารถนาสุขเวทนาในอนาคตหนีงอนแง่นคอนแคนในอนาคตเพื่อหาสุขเวทนาในอดีตงอนแง่นคอนแคนในอดีตใช่ไหมจะเห็นชัดเลยว่าถ้าเอาสูตรไหนมาจับก็ลงกันนี้นะคำสอนพระเจ้าแท้ที่จริงท่านให้มีสติสัมปชัญญะในการไปวิจัยวิจัยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีเหตุ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 อันนี้ปฏิบัติได้และเข้าใจได้นี่ก็สมควรเกี่ยวเวลาแล้วใช่ไหมนี่นก็มีใครถามอะไรั้มอ่ามีใครถามอะไรไหมไม่มีเนาะอ่าไม่มีก็ก็สมควรเกี่ยวเวลาอุทิศตนกุศลกัน